เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่8ดมกราคมพุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาเพิ่มกำลังใจ ให้แก่ชีวิตของตนซึ่งเป็นเหมือนกับรถยนต์ที่จำเป็นจะต้องคอยเติมเชื้อเพลิงคือน้ำมันรถอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่รถจะได้สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว <c oughs> ถึงจุดหมายปลายทางที่ปรารถนากันได้ อย่างไม่มีอุปสรรคชีวิตของพวกเราก็เช่นเดียวกันเราต้องไปไหนมาไหนต้องมีกิจกรรมต้องพบปะกับสิ่งต่างๆทั้งที่ดีและไม่ดีอยู่ตลอดเวลาคือพบทั้งความเจริญและความเสือ่อมในลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลินกายเวลาที่เจริญ เราก็ไม่มีปัญหาแต่เวลาที่พบกับความเสื่อมทางลาบทางยศทางรสสัดรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายหมดกำลังใจได้เราจึงต้องคอยเติ ม, ตมพลัง ให้แก่ใจเพื่อให้เกิดกำลังใจอยู่อย่างต่อเนื่องเมื่อเรามีกำลังใจแล้วเวลาที่เราต้องเผชิญกับความเสื่อมต่างๆความทุกข์ต่างๆความยากความลำบากต่างๆใจของเราก็จะสามารถฟันฝ่าความทุกข์ความเสื่อมเหล่านี้ได้อย่างปลอดภัย อย่างสบายไม่ว้าวุ่นขุ่นมัวไม่เดือดร้อนไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะเรามีกำลังใจนี่เองกำลังใจที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้พวกเรานี้ก็มีอยู่5ประการด้วยกันคือหนึ่งศรัทธาความเชื่อสองวิริยะความอุตสาหะ ภาคเพียนพยายาม 3. สติการระลึกรู้ 4. สมาธิความตั้งมั่นของใจและ5ปัญญาความฉลาดรอบค้อบนี่คือกำลังใจหรือส่วนประกอบของกำลังใจถ้าเรามี ส่วนประกอบทั้งหส่วนนี้แล้วใจของเราจะมีกําลังใจมากจะเป็นกําลังใจแบบพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายสามารถทําอะไรที่ปุถุชนธรรมดาอย่างพวกเรานี้จะไม่สามารถทํากันได้เลยเนื่องจากพวกเรานี้ยังมีพลังใจนี้น้อยเมื่อเปรียบ พระพุทธเจ้ากับพระอาหันตาสาวกทั้งหลายท่านมีกําลังใจมากท่านสามารถทําในสิ่งที่เราทํากันไม่ได้เช่นสละสลทรัพย์ทั้งหมดที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีเป็นพระราชามหากษัตริย์ท่านสามารถสละทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทองและสิ่งต่างๆที่ท่านมีอยู่นี้ไปได้หมด แล้วก็ออกบวชอยู่แบบขอทานพวกเหล่านี้ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นเราก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องพยายามสละพยายามตัดไปตามกำลังของเราไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าเราจะมีกำลังมากสักวันหนึ่งเราก็จะสละทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ ได้เพราะเราจะมีปัญญาความฉลาดที่เห็นความทุกข์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เห็นโทษของการมีสิ่งต่างๆพวกเราตอนนี้ยังไม่เห็นโทษของลาบยศสารเสริญสุขกันเรายังคิดว่าเป็นสิ่งที่วิเศษแต่หารู้ไม้ว่ามันเป็นเหมือนระเบิดเวลา หรืองูพิษที่พร้อมที่จะระเบิดใส่เราหรือกัดเราได้ตลอดเวลาเวลาที่มันเกิดแล้วมันก็มักจะสายเกินที่จะแก้ได้มักจะสายเกินกว่าที่จะรับกับมันได้ดังนั้นเราจึงต้องมีศรัทธาความเชื่อเชื่อในวิถีทางการดำเนินชีวิตของพระพุทธเจ้า เชื่อในวิธีการดำเนินชีวิตของพระอรหันตะสาวกทั้งหลายแล้วพยายามปฏิบัติตามด้วยความภาคเพียรสิ่งที่ท่านทำก็มีอยู่สาประการด้วยกันคือท่านทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมท่านละบาป ท, ทั้งหลายได้หมดสิน้นและท่านสามารถชำระ ใจของท่านให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากตัณหาความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจทั้งหลายได้หมดเราต้องเชื่อว่านี่คือทางที่แท้จริงทางที่ดีที่สุดสาหรับพวกเราทุกคนถ้าเราปรารถนาความสุข และความเจริญและไม่ปราถนาความทุกข์และความเสื่อมเราต้องยึดวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายนี้เป็นตัวอย่างและเชื่อในคำสอนของสั้นที่ท่านสอนว่าให้ทำดีละบาปและชำระใจให้สะอาดป่อยสุด นี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะปลูกฝังศรัทธาความเชื่อของเราให้มีอย่างมั่นคงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็นตามเราจะไม่ท้อแท้ต่อการดำเดนินตามที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้สอนและได้นำเนิดมา ถ้าเรามีศรัทธาอย่างนี้แล้วเราก็จะทำแต่ความดีเสมอเราจะไม่ทำบาปเราจะต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงกับความอยากสั่งๆจนกว่ามันจะหมดสิ้นไปจากใจของเราเมื่อเราได้ปฏิบัติแล้วเราจะมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆในขณะที่ เรารเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ไม่น่าปรารถนาเราจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความสะทกสะทา้านเราจะรู้สึกเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่ทรงสอนให้เราพิจารณาอยู่เสมอเสมอว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตาย และความพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้แต่ใจของเรานี้จะเผชิญกับสิ่งเหล่านี้อย่างสบายอกสบายใจอย่างไม่รู้สึกทุกข์ร้อนเดือดร้อนแต่อย่างไรเพราะเรามีกำลังใจ ที่จะรักษาใจของเราให้เป็นปกติสุขไม่ให้ใจของเราว้าวุ่นขุนบัววุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆไปกับการเสื่อมของสิ่งต่างๆไปกับการพัดพลากจากสิ่งต่างๆไปได้เพราะพระพุทธเจ้าและพาาระอรหันตสภาษาโกนี้ได้พิสูจน์มาแล้วท่านไม่เดือดร้อนเลยกับความแก่ความเจ็บความตาย กับการพัดพรากจากสิ่งต่างๆทั้งหลายเพราะใจของท่านมีความมั่นคงหนักแน่นเป็นเหมือนก้อนหินที่ลมพายุไม่สามารถที่จะมาขยับขยื่นได้เลยแต่ใจของพวกเรานี้ยังเป็นเหมือนปุยนุ่นอยู่เบามากไม่มีความหนักแน่นเลยเวลามีลมเบาๆ พัดผ่านมาก็ปิวก็ลอยไปแล้วใจของพวกเราเวลาสัมผัสกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาเพียงเล็ ก, ลกๆทีน้อยก็เกิดอารมณ์ว่าวุ่นขุ่นโมวขึ้นมาเกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจขึ้นมานั่นเป็นเพราะว่าพวกเราไม่มีกำลังใจพวกเราไม่ได้สร้างองค์ประกอบของกำลังใจให้มีมาก จนสามารถที่จะต่อต้านหรือยืนหยัดกับการพัดมาของสิ่งต่างๆได้ดังนั้นเราจึงควรที่จะใช้เวลาของชีวิตของพวกเหล่านี้มาทำนี้กันมาสร้างกำลังใจกันเพราะยาว อย่าไปสร้างสิ่งอื่นๆใดในโลกนี้เพราะเขาไม่สามารถที่จะทําให้เรามีกำลังใจได้แต่เขากลับจะเป็นเหตุที่ทําให้เราต้องทุกข์ใจเดือดร้อนใจไม่รู้จักจบจากสิ้นทุกวันนี้พวกเราสิ่งที่พวกเราทุกข์กันอยู่นี้ก็คืออะไรเราก็ทุกข์กับลาบยศเสริญ ล่าสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่ไม่ได้ทุกข์กับอะไรเวลาเราไม่มีเงินทองเราก็ทุกข์กันแล้วเวลาเราไม่ได้ตำแหน่งที่เราอยากจะได้เราก็ทุกข์กันแล้วเวลาที่เราไม่ได้รับการสรรเสริญยกย่องแต่ได้รับการตำหนิตีเตียงว่ากาวเราก็เดือดร้อนกันแล้ว เวลาเราได้ไม่ ไ, มได้เสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็เดือดร้อนกันแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นแต่พวกเราเป็นเหมือนปลาที่มองไม่เห็นเบ็ดที่ติดอยู่ปลาเหยื่อเราเห็นความสุขเล็กๆน้อยๆยที่มากับลาบยศสลรเสริญสุข แต่เราไม่เห็นความทุกข์อันใหญ่หลวงที่ติดตามมากับความเสื่อมของลาบยศสารเสือสุดนี่องชีวิตของพวกเราจึงไม่พ้นจากความทุกข์ไปได้และจะทุกข์อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะร่ำรวยขนาดไหนไม่ว่าจะมีตําแหน่งสูงใหญ่ขนาดไหนไม่ว่าจะมีใครยกย่องสรรเสริญ มากน้อยเพียงไรไม่ว่าจะมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมากเพียงไรก็ตามความทุกข์ของสิ่งเหล่านี้ก็ยังจะตามมาอยู่เสมอเพราะมันจะต้องมีการเสื่อมไปสักวันหนึง่งอย่างแน่นอนในขณะที่ยังไม่เสือ่อมมันก็สร้างความไม่มั่นคงให้กับเราแล้วสร้างความกังวลให้กับเราแล้ว เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเสื่อมเมื่อไหร่จะหมดไปเมื่อไหร่นั่นเองดังนั้นเราอย่าไปเสียเวลากับการสแสวงหาลาภยศสารเสริญสุขมากเจนเกินไปควรจะทุ่มเทเวลามาสแสวงหาพลังใจกันดีกว่าเพราะถ้าเรามีพลังใจแล้วใจของเราจะมีความสุข อย่างเดียวจะไม่มีความทุกข์เลยจะไม่เป็นเหมือนความสุขที่ติดอยู่ปลายเบ็ดแต่เป็นความสุขของปลาที่บนที่อยู่บนจานข้าวของเราที่เรารับประทานอย่างอิ่มหนำสำราญใจไม่มีเบ็ดมาเกี่ยวคอเกี่ยวปากเราเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดดังนั้นขอให้เราเชื่อ ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและพยายามปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทําความดีตา่างๆไม่ทําบาปและชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ความดีก็คือการกระทําที่เกิดคุณเกิดประโยชน์กับผู้อื่นหรือกับตัวเราและทั้งกับผู้อื่นและกับตัวเราเช่นการ มาให้ทานในวันนี้มาทำบุญในวันนี้ก็เกิดประโยชน์ทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่นเราให้กับข้าวกับปลาอาหารแก่พระเพ็กซุท่านก็ได้รับความสุขจากสิ่งของต่างๆเราก็ได้รับความสุขใจที่เกิดจากการได้ละได้สัตว์ความยึดติดอยู่ในทรัพย์ในสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ เป็นความสุขทางใจของเรานี่คือการทำความดีขอให้เราถือหลักนี้เป็นการพิสูจน์หรือตัดสินว่าความดีคืออะไรความดีคือการกระทำทางวาจาทางกายและทางใจที่ไม่เกิดโทษไม่เกิดความทุกข์กับตัวเราหรือกับผู้อื่นแต่เกิดประโยชน์เกิดความสุขกับตัวเราและกับผู้อื่น เรียกว่าเป็นการทําความดีขอให้เราคิดดีพูดดีทําดีเช่นถ้าเราคิดด้วยความเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาอย่างนี้เรียกว่าคิดด้วยความดีเมตตาก็คือความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขกรุณาก็คือความอยากให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ยากลําบากมุติตาก็คือความยินดี กับความสุขและความเจริญของผู้อื่นไม่อิจฉาริษยาอุเบกขาก็คือความตั้งมั่นของใจไม่ว่าวุ่นขุนมัวกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะดีหรือชั่วกระตามดีก็ไม่ดีอกดีใจตื่นเต้นจนคิดนอนไม่นอนไม่หลับไม่ดีก็ไม่ว่าวุ่นขุนมัวกินไม่ได้นอนไม่หลับเช่นเดียวกัน เป็นอุเบกขาก็คือเป็นปกติอย่างที่พวกเรากำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ใจของพวกเรานี้กกำลังอยู่ในอุเบกขาเราไม่เดือดร้อนกับอะไรตอนนี้เรามีความพอใจอยู่กับการนั่งเฉยๆฟังเทศน์ฟังธรรมไปนี่คือใจที่เราควรจะมีอยู่ตลอดเวลาคือเมตตากรุณามุติตาอุเบกขา จะรักษาใจของเราให้มีความสุขให้มีความร่มเย็นไม่ว้าวุ่นขุ่นมัวนี่คือความคิดดีให้คิดอย่างนี้เมื่อเราคิดดีแล้วเราก็จะพูดดีเราจะพูดด้วยความเมตตาเราจะพูดด้วยความการลยาณเราจะพูดด้วยมุติตาเราจะพูดด้วยอุเบกขาเช่นเดียวกับการกระทำเราก็จะกระทำด้วยความเมตตา ทำด้วยความการุณาทำด้วยมุติตาทำด้วยอุเบกขาเช่นเราส่งสอ้อประซอให้ของขวัญกันในวันปีใหม่เราก็ทำด้วยความเมตตาเราช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเวลามีภัยพิบั ต, ติต่างๆเกิดขึ้นเราก็ทำด้วยความการุณาเราก็ส่งกระเช้าดอกไม้อวยพรให้แก่ผู้ที่เขาได้รับ ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือได้มีความสุขเช่นเขาได้แต่งงานกันอย่างนี้เราก็ส่งของขวัญไปให้เขาอย่างนี้ก็เรียกว่ามุติตาจิตเราก็ทำใจให้เราเป็นปกติเวลาที่เราต้องพบกับสิ่งที่เราไม่ยินดีเช่นเวลามีใครเขาด่าเราว่าเราเราก็ทำใจของเราให้เป็นอุเบกขา ไม่โต้อตอบไม่ไม่โกรธเคืองโกรธแค้นไม่อาฆาตพยาบาทเวลาเราเสียอะไรไปเราก็ทำใจคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไยแล้วว่าเราต้องมีการพัดพลาดจากกันเป็นธรรมดานี่คือการทำใจของเราให้คิดดีอยู่เสมอคิดด้วย เมตตากรุดูนาบุิต า, ต า, ตาและอุเบกขาแล้วใจของเรานี้จะเป็นปกติอย่างที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็ตาม <Yeah. S 1> นี่คือการมีศรัทธาความเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและได้ทรงบังเพิมาเราก็จะพยายาม ความพยายามนี้ก็คือวิริยะนี้เองเราต้องมีความพยายามถึงจะทำได้ถ้าเราไม่มีความพยายามแล้วเราจะมีความทอ้อแท้เวลาทำอะไรแล้วมันก็ถ้าไม่ได้ทำตามใจเราเราจะไม่อยากจะทำกันซึ่งส่วนใหญ่ใจของเรานั้นมักจะไม่ค่อยชอบคิด ไปในทางที่ดีนั่นเองมักจะชอบคิดไปในทางของความโลภความโกรธความหลงจึงทำให้การทำความดีนี้ยากลำบากเราจึงต้องฝืนความคิดที่ไม่ดีความโลภความโกรธความหลงความอยากสางๆนี้เป็นความคิดที่ไม่ดีเราควรที่จะพยายามฝ่าฝืนอย่าทาตาม ให้คิดตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คิดก็คือให้คิดด้วยความเมตตากรุณามุญิตาอุเบกขาแล้วเราจะสามารถที่จะฝืนความคิดที่ไม่ดีได้คือความโลภความอยากความโกรธความหลงถ้าเรามีความภาคเพียนความพยายามแล้วเราก็จะสั่มสิ่งที่ ดีต่างๆได้นอกจากการมีความคิดที่ดีคือมีเมตตากรุณามมดิตาอุเบกขาแล้วเรายังต้องมีสติคือเราต้องมีใจที่เราเลึกรู้อยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นคือไม่ให้ใจเราไปรู้อยู่กับเรื่องอื่นเวลานี้เรากำลังทำอะไรอยู่ ก็ให้ใจเรารู้อยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้กำลังฟังเทศก็ให้ใจรู้อยู่กับการฟังเทศอย่าให้ใจไปรู้กับเรื่องอื่นเรื่องที่ผ่านมาแล้วหรือเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะจะทาให้ขาดการได้รับประโยชน์ในปัจจุบันคือเรากำลังฟังธรรมซึ่งเป็นคำสอนอันปรเสริฐ เป็นมงคลอย่างยิ่งแต่ถ้าเราฟังแต่หูแต่ใจเราไม่ได้ฟังเราจะไม่รับรู้เรื่องราวที่เราได้ยินที่หูเลยเป็นเหมือนกับทัพพีในหม้อแกงทัพพีนี้จะไม่รู้จากรสชาติของแกงเลยเราต้องฟังแบบบีสติคือฟังแบบลิ้นกับแกงลิ้นนี้แม้แต่จะสัมผัส แกงเพลงหยดเดียวก็จะรู้ทันทีว่ามีรสชาติอย่างไรฉันใดการมีสติก็คือการรับรู้กับเรื่องราวที่เราลังได้ยินได้ฟังอยู่เราก็จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากาลังได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นมาพอมีเกิดความเข้าใจแล้วเราก็จะจำได้ เราจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้เป็นเรื่องของบุญของบาปของคุณของโทษของความดีและความชั่อต่างๆเราก็จะมีมาตรฐานที่จะสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษ อะไรจะทำให้เราสุขให้เราจเจริญอะไรจะทำให้เราทุกข์ทำให้เราเสื่อมเสียเมื่อเรามีความรู้อย่างดีแล้วเราก็จะสามารถดำเนินชีวิตของเราให้ไปในทางที่ถูกได้ที่ดีได้นั่นเองดังนั้นเราจึงต้องมีสติอยู่เสมอไม่ว่าเราจะทำอะไรถ้าเรากำลังทำอะไรเราก็จะไม่ ทำอย่างผิดพลาดทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกต้องไม่เสียหายไม่ต้องมาเสียเวลามาแก้ไขทีหลังถ้าเราทำแบบไม่มีสติทำแบบหลงหลงลืมลืมทำไปแล้วก็ไปคิดเรื่องอื่นบางทีสิ่งที่เราทำไปก็ไม่ถูกไม่ถูกต้องเกิดความเสียหายได้แล้วต้องมาแก้ไขทีหลังเสียเวลาเปล่า และใจของเราก็จะไม่นิ่งสิ่งที่เราต้องการจากการมีสตินี้ก็เพื่อที่จะดึงใจไว้เพื่อให้มันได้สงบตัวลงเป็นสมาธิถ้าใจไม่มีสมาธิแล้วใจก็จะเป็นเหมือนปุยนุ่นจะลอยไปลอยมาจะถูกอารมณ์ต่างๆมาเขย่าได้อยู่เสมอ แต่ถ้าใจมีสมาธินิ่งสงบแล้วจะไม่มีอะไรมาขยม่มายามาเขย่า <c oughs> มามาผลักมาทําให้ใจนี้ต้องวันไหวได้เลยดังนั้นถ้าเรามีสติแล้วเวลาเราทําสมาธิเราก็จะทําใจให้สงบนิ่งได้อย่างไม่ยากเย็นเลยสาเหตุที่พวกเรายังไม่สามารถ ทำจิตใจให้ร่วมลงรวมลงเข้าสู่สมาธิให้เป็นเอกตารมให้เป็นอุเบกขาได้ก็ <c oughs> เพราะเราไม่มีสติที่จะคอยดึงใจเอาไว้ถ้าเป็นเรือก็เหมือนกับเรือที่เราไม่สามารถจอดเทียบท่าได้เพราะเราไม่ไายทอดสมอหรือเราไม่มีเชือกผูกไว้กับท่านั่นเองเวลาจะจอดเรือเทียบท่า เพขนถ่ายสินค้าขนถ่ายข้าวของและคนก็ไม่สามารถทำได้เพราะเรือจะลอยไปตามกระแสน้ำอยู่ตลอดเวลานั่นเองแต่ถ้าเรามีเชือกหรือมีสมอทอดไว้เรือก็จะไม่ไหลไปตามกระแสน้ำเรือก็จะทอดจอดเทียบท่านิ่งแล้วสามารถขนถ่ายสินค้าได้อย่างที่เราต้องการ ใจของเราถ้าต้องการความหนักแน่นความมั่นคงความไม่หวั่นไหวกับสิ่งต่างๆเราก็ต้องทำใจของเราให้สงบนิ่งเป็นสมาธิให้ได้เราจึงต้องเจริญสติอยู่ตลอดเวลาสตินี้เราจเจริญได้ทุกที่ทุกแห่งทุกผนทุกเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรยกเว้นเวลาที่เรานอนหลับเท่านั้นที่เราจะไม่สามารถเจริญสติได้ แต่เวลาอื่นนี้เราจะเินได้และเราควรจะเจริญอยู่อย่างเสมอเพื่อที่เราจะได้มีสมาธิมีใจที่หนักแน่นมั่นคงที่จะรับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้ต่อไปและเมื่อเรามีสมาธิแล้วเราก็จะสามารถสอนใจเราให้รับรู้กับความจริงของชีวิตของเราได้ ความจริงของชีวิตนี่แหละคือปัญญาเราต้องรู้ว่าชีวิตของเรานี้เป็นอย่างไรกันแนะ่เราจะอยู่อย่างนี้ไปตลอดเราจะเจริญไปตลอดเราจะสุขไปตลอดหรือเปล่าหรือว่าเราต้องมีความเสื่อมตามมาเราต้องมีความทุกข์ตามมาเราต้องมีความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายตามมาสิ่งนี้นี่คือความรู้คือปัญญา ถ้าเรามีความรู้เหล่านี้คู่อยู่กับใจเป็นเหมือนอาวุธคู่มือแล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีอะไรมาทำให้เราทุกข์กับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราต่อไปเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ความจริงมันไม่ได้เกิดขึ้นกับใจกับเราเลยมันเกิดขึ้นกับร่างกายและสิ่งต่างๆที่เรามาครอบครองเท่านั้นเอง แต่ตัวเรานี้คือใจของเรานี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับสิ่งต่างๆเลยแต่ใจเราขาดปัญญาหลงไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราของเราไปเสียหมดพออะไรเกิดขึ้นก็เลยคิดว่าเกิดขึ้นกับตัวเราด้วยนั่นเองแต่ความจริงแล้วไม่มีอะไรจะมาทําให้เรานี้ สูญสิ้นหายไปได้เสื่อมลงไปได้ทุกได้เลยถ้าเรามีปัญญาถ้าเรารู้จักแยกแยะสิ่งต่างๆออกจากใจของเราไม่ไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆปล่อยให้สิ่งต่างๆนั้นเป็นไปตามความจริงของเขาเขาจะแก่ก็แก่เขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ปล่อยให้เขาเจ็บไปเขาจะตายก็ให้เขาไป เขาจะจากเราไปก็ให้เขาจากเราไปถ้าอย่างนี้แล้วใจของเราจะไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์เลยจะมีแต่ความสุขความสบายตลอดเวลานี่คือเรื่องของกำลังใจที่มีองค์ประกอบอยู่5ประการนี้คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาที่พวกเราควรที่จะมา ปลูกฝังมาเจริญมาบำเพ็ญมาสร้างให้เจริญงอกงามขึ้นไปตามลำดับเพื่อความสุขและความพ้นทุกข์ที่จะตามมาต่อไปจึงขอฝากการมาสร้างกำลังใจนี้ให้ท่านได้นาเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความสิ้นทุกข์ที่จะตามมาต่อไป